สองูมิพยสูตรว่าด้วยภัยจากคลื่นภิกษุทั้งหลายภัยสีประการนี้ที่คนลงไปในน้ําพึงประสบภัยสีประการอะไรบ้างคือ 1. อูมิภัยภัยจากคลื่น 2. อกุมมะพีลภัยภัยจากจระเขสาอวตภัยภัยจากน้ําวน 4. สุสุกาภัย ภัยจากปลาร้ายภิกษุทั้งหลายภัยสี่ประการนี้แหลที่คนลงไปในน้ําพึงประสบชั้นใดภิกษุทั้งหลายภัยสีประการนี้ก็ชั้นนั้นเหมือนกันแลที่คนโลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวิ น, นัยนี้พึงประสบภัยสีประการอะไรบ้างคือหนึ่งอูมิภัยสองกลุมมะพีลภัย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 อุปายาดความคับแค้นใจครอบงำตกอยู่ในกองทุกขมีทุกขประดังเข้ามาฉะไหนนอการทำกองทุกทั้งหมดนี้ให้สิ้นสุดจะพึงปรากฏเพื่อนพรมจารีตักเตือนพร่มสอนเธอผู้บวชแล้วนั้นว่าเธอพึงก้าวไปอย่างนี้พึงถอยกลับอย่างนี้พึงแลดูอย่างนี้พึงเลี้ยวดูอย่างนี้พึงคู่เข้าอย่างนี้พึงเหยียดออกอย่างนี้ พึงครองสังคาติบาทและจีวร อ, อย่างนี้เธอคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นครหัดมีแต่ตักเตือนพร่ำสอนผู้อื่นก็ภิกษุเหล่านี้มีอายุคราวลูกคราวหลานของเรายังจะมาตักเตือนพร่ำสอนเธอขุนเคืองไม่พอใจบอกคืนสีกขากลับมาเป็นครหัดนี้เรียกว่าภิกษุผู้กลัวอูมิภัยบอกคืนศิกขากลับมาเป็นครหัด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 ฉนายนอการทำกองทุกทั้งหมดนี้ให้สิ้นสุดจะพึงปรากฏเพื่อนพระมจารีตักเตือนพร่ำสอนเธอผู้บวชแล้วนั้นว่าสิ่งนี้เธอพึงฉันสิ่งนี้เธอไม่พึงฉันสิ่งนี้เธอพึงบริโภคสิ่งนี้เธอไม่พึงบริโภคสิ่งนี้เธอพึงลิ้มสิ่งนี้เธอไม่พึงลิ้มสิ่งนี้เธอพึงเดิมสิ่งนี้เธอไม่พึงเดิม สิ่งเป็นกัปปิยะเธอพึงฉันสิ่งเป็นอกัปปิยะเธอไม่พึงฉันสิ่งเป็นกัปปิยะเธอพึงบริโภคสิ่งเป็นอกัปปิยะเธอไม่พึงบริโภคสิ่งเป็นกัปปิยะเธอพึงลิ้มสิ่งเป็นอกัปปิยะเธอไม่พึงลิ้มสิ่งเป็นกัปปิยะเธอพึงเดิมสิ่งเป็นอกัปปิยะเธอไม่พึงเดิมเธอพึงฉันในเวลาเธอไม่พึงฉันนอกเวลา เธอพึงบริโภคในเวลาเธอไม่พึงบริโภคนอกเวลาเธอพึงลิ้มในเวลาเธอไม่พึงลิ้มนอกเวลาเธอพึงดื่มในเวลาเธอไม่พึงดื่มนอกเวลาเธอคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นข้รหัสเคี้ยวกินสิ่งที่เราต้องการไม่เคี้ยวกินสิ่งที่เราไม่ต้องการบริโภคสิ่งที่เราต้องการไม่บริโภคสิ่งที่เราไม่ต้องการ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 บริโภคทั้งในเวลาและนอกเวลาลิ้มทั้งในเวลาและนอกเวลาดื่มทั้งในเวลาและนอกเวลาสิ่งใดที่ปราณีไม่ว่าจะเป็นของเคี้ยวหรือของบริโภคที่ข้าพดีผู้มีศรัทธาถวายแก่เราทั้งในเวลาและนอกเวลาภิกษุเหล่านี้ท้าเหมือนปิดปากแม้ในสิ่งของเหล่านั้นเธอขัดเคืองไม่พอใจบอกคืนศิกขากลับมาเป็นครหัต นี้เรียกว่าภิกษุผู้กลัวกุมมะพีละไพบอกคืนศิกขากลับมาเป็นครหัตคําว่ากุมมะพีละไพนี้เป็นชื่อเรียกความเป็นคนเห็นแก่ปากท้องนี้เรียกว่ากุมมพีละไพร์อวตตะไเป็นอย่างไรคือคุณบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตคิดว่าเราถูกชาติชรามรณะโสกะ ปริเทวะทุกขโทมนัตอุปาญาครอบงำตกอยู่ในกองทุกขมีทุกขประดังเข้ามาฉะไหนหนอการทำกองทุกทั้งหมดนี้ให้สิ้นสุดจะพึงปรากฏเธอบวชอยู่อย่างนี้ในเวลาเช้าครองอันตรวาสกถือบาทและจีวอนเข้าไปบินทบาทตามหมู่บ้านหรือตำบลไม่รักษากายวาจาใจมีสติไม่ตั้งมั่นไม่สารวมอินทรีย์ เธอเห็นข้าพดีหรือบุคคขาพดีในหมู่บ้านหรือตำบล น, นั้นเออบอิ่มพร่างพร้อมบำเรอตนอยู่ด้วยการมาคุณห้าคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นข้อรหัสเ อ, อิบอิ่มพร่างพร้อมบำเรอตนอยู่ด้วยการมาคุณห้าพวกขทรัพในตระกูลของเราก็มีอยู่พร้อมเราสามารถที่จะใช้สอยโภกขทรัพและทำบุญได้ทางที่ดีเราบอกคืนสิกขากลับมาเป็นข้าหัส ใช้สอยโภคทรัพย์และทำบุญเธอบอกคืนศิกขากลับมาเป็นครหัดนี้เรียกว่าภิกษุผู้กลัวอวัตภัยบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครหัดคำว่าอาวัตภัยนี้เป็นชื่อเรียกกามาคุลห้านี้เรียกว่าอาวัตภัยสุสูกาภัยเป็นอย่างไรคือคุณบุตรบางคนในโลกนี้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 เข้าไปบินทบาทตามหมู่บ้านหรือตำบลไม่รักษากายวาจาใจมีสติไม่ตั้งมั่นไม่สำรวมอินทรีย์เธอเห็นมาตุคามสตรีในหมู่บ้านหรือตำบล น, นั้นนุ่งไม่เรียบร้อยหรือห่มไม่เรียบร้อยราคะรบกวนจิตของเธอเพราะเห็นมาตุคามนุ่งไม่เรียบร้อยหรือห่มไม่เรียบร้อยเธอมีจิตฟุ้งซ่านเพราะราคะ จึงบอกคืนศิกขากลับมาเป็นครหัดนี้เรียกว่าภิกษุผู้กลัวสุสุกาภัยบอกคืนศิกขากลับมาเป็นครหัดคําว่าสุสุกาภัยนี้เป็นชื่อเรียกมาตุคามนี้เรียกว่าสุสุกาภัยภิกษุทั้งหลายภายสี่ประการ น, นี้แหลที่คุณบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยนี้ พึงประสบอูมิพยะสูตรที่สองจบปามปฐมนานากรณะสูตรว่าด้วยเหตุที่ทำให้บุคคลต่างกันสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลาย บุคคลสี่จมพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสีชจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้สังกัดจากกามและอกสุนทรธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เขาชอบใจปฐมฌานนั้นติดใจปฐมฌานนั้นและถึงความปลื้มใจกับปฐมฌานนั้น เขาดำรงอยู่ในปฐมฌานนั้นน้อมใจไปในปฐมฌานนั้นชอบอยู่กับปฐมฌานนั้นโดยมากไม่เสื่อมเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทวดาชั้นหมู่พรมพวกเทวดาชั้นหมู่พรมมีอายุประมาณหนึ่งกับคนที่เป็นผุุ้ชนดำรงอยู่ในชั้นหมู่พรมนั้นจนสิ้นอายุให้ระยะเวลาที่เป็นกําหนดอายุของเทวดาเหล่านั้นหมดไปแล้ว ไปสู่นรกบ้างไปสู่คำเนิดสัตว์ติระชานบ้างไปสู่แดนเปรตบ้างส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นหมู่พรมนั้นจนสิ้นอายุให้ระยะเวลาที่เป็นกำหนดอายุของเทวดาเหล่านั้นหมดไปแล้วปรินิพานในภพนั้นแลนี้แลเป็นความแปลกกันเป็นความแตกต่างกันเป็นเหตุทำให้ต่างกันระวางอริยสาวกผู้ได้สดับ กับผู้ทุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อคติการตายและอุบัติการเกิดยังมีอยู่ 2. บุคคลบางคนในโลกนี้เพราะวิตกวิจาร์สงบรงะงับไปบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสาภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปิติและสุขเกิดจากสมาธิอยู่เขาชอบใจทุติยฌานนั้น ติดใจทุติยชา น, นั้นและถึงความปลื้มใจกับทุติยชา น, นั้นเขาดำรงอยู่ในทุติยชา น, นั้นน้อมใจไปในทุติยชา น, นั้นชอบอยู่กับทุติยชา น, นั้นโดยมากไม่เสื่อมเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาชั้นอาภสระพวกเทวดาชั้นอัภสรามีอายุประมาณสองกับ คนที่เป็นปุถุชนดำรงอยู่ในชั้นอภัสระนั้นจนสิ้นอายุให้ระยะเวลาที่เป็นกำหนดอายุของทเทวดาเหล่านั้นหมดไปแล้วไปสู่นรกบ้างไปสู่กำเนิดสัตว์ติระชานบ้างไปสู่แดนเปรตบ้างส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นอาภัสระนั้นจนสิ้นอายุให้ระยะเวลาที่เป็นกำหนดอายุของทเทวดาเหล่านั้นหมดไปแล้ว ปรินิพานในภพนั้นแหลนี้แหลเป็นความแปล ก, กันเป็นความแตกต่างกันเป็นเหตุทําให้ต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อคติและอุบัติยังมีอยู่ 3. บุคคลบางคนในโลกนี้เพราะปิติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสันเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเขาชอบใจตติยฌานนั้นติดใจตติยฌานนั้นและถึงความปลื้มใจกับตติยฌานนั้นเขาดำรงอยู่ในตติยฌานนั้นน้อมใจไปในตติยฌานนั้นชอบอยู่กับตติยฌานนั้นโดยมากไม่เสื่อมเมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทวดาชั้นสุภกินหะพวกเทวดาชั้นสุภกินหะมีอายุประมาณสี่กับคนที่เป็นปุทุชนดำรงอยู่ในชั้นสุภกินหะนั้นจนสิ้นอายุให้ระยะเวลาที่เป็นตัวกำหนดอายุของเทวดาเหล่านั้นหมดไปแล้วไปสู่นรกบ้างไปสู่กาเนิดสัตว์ดิราชานบ้างไปสู่แดนเปรต บ, บ้างส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาค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 เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัติและโทมนัตดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุทชฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เขาชอบใจจตุทชฌานนั้นติดใจจตุทชฌานนั้นและถึงความปลื้มใจกับจตุทชฌานนั้นเขาดำรงอยู่ในจตุทชฌานนั้นน้อมใจไปในจตุทชฌานนั้นชอบอยู่กับจตุทชฌานนั้นโดยมากไม่เสื่อม เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทวดาชั้นเวหัภละพวกเทวดาชั้นเวหาละมีอายุประมาณ500กับคนที่เป็นปุถุชนดำรงอยู่ในชั้นเวหัภละนั้นจนสิ้นอายุให้ระยะเวลาที่เป็นกำหนดอายุของเทวดาเหล่านั้นหมดไปแล้วไปสู่นรกบ้างไปสู่กำเนิดสัตว์ติรชานบ้างไปสู่แดนเปรตบ้าง ส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในฌานเวหาภะละนั้นจนสิ้นอายุให้ระยะเวลาที่เป็นกำหนดอายุของเทวดาเหล่านั้นหมดไปแล้วปรินิพานในภพนั้นแหลนี้แลเป็นความแปลกกันเป็นความแตกต่างกันเป็นเหตุทำให้ต่างกันระหว่างอริสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อกติและอุบัตยังมีอยู่ภิกษุทั้งหลาย บุคคลสี่จำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกปฐมนานากรณสูตรที่สจบ 4. ทุติยน า, นานากรณสูตรว่าด้วย เหตุที่ทำให้บุคคลต่างกันสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายบุคคลสีจจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสีจจำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้สังเัดจากกรามและอรสุนธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เขาพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอยู่ในปฐมฌานนั้นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เสียแทงเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกสอนเป็นสิ่งคับแค้นเบียดเบียนไม่เชื่อฟังต้องแตกสลายไปว่างเปล่าไม่อยู่ในอำนาจหลังจากตายแล้วเขาย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทวดาชั้นสุทธาวาส การเข้าถึงนี้ไม่ใช่มีอยู่ทั่วไปกับผุทชุนทั้งหลาย 2. บุคคลบางคนในโลกนี้เพราะวิตกวิจารสงบรงะงับไปบรรลุทุติยชาญและถึง 3. บุคคลบางคนในโลกนี้เพราะปิติจางคลายไปมีอุเบคามีสติสัมปชัญญะสวยสุข ด, ด้วยนามกายบรรลุตติยชาญส บุคคลบางคนในโลกนี้เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัตและโทมนัต ด, ดับไปก่อนแล้วบรรลุจจตุตตฌานละถึงอยู่เขาพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอยู่ในจจตุตตฌานนั้นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เสียแทงเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศร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 ทุติยนานากรณะสูตรที่สจบ 5. ปฐมมะเมตตาสูตรว่าด้วยผู้มีเมตตาจิตสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายบุคคลสีจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก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 เขาชอบใจเมตตาชานนั้นติดใจเมตตาชานนั้นและถึงความปลื้มใจกับเมตตาชา น, นั้นเขาดำรงอยู่ในเมตตาชานนั้นน้อมใจไปในเมตตาชา น, นั้นชอบอยู่กับเมตตาชา น, นั้นโดยมากไม่เสื่อมเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทวดาชั้นหมู่พรมพวกเทวดาชั้นหมู่พรมมีอายุประมาณหนึ่งกับ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 แร่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยกรุณาจิตอนันไพบูรณ์เป็นมหักตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่อย่างนี้เขาชอบใจกรุณาฌานนั้นติดใจในกรุณาฌานนั้นและถึงความปลื้มใจกับกรุณาฌานนั้นเขาดำรงอยู่ในกรุณาฌานนั้นน้อมใจไปในกรุณาฌานนั้นชอบอยู่กับกรุณาฌานนั้นโดยมากไม่เสื่อม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 แผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สาทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกมูเหล่าในที่ทุกสถานด้วยมุทิตาจิตอันไพ่บู์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่อย่างนี้เขาชอบใจมุทิตาฌานนั้นติดใจมุทิตาฌานนั้นและถึงความปลื้มใจกับมุทิตาฌานนั้น เขาดำรงอยู่ในมุทิตาฌานนั้นน้อมใจไปในมุทิตาฌานนั้นชอบอยู่กับมุทิตาฌานนั้นโดยมากไม่เสื่อมเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทวดาชั้นสุภกินหะพวกเทวดาชั้นสุภกินหะมีอายุประมาณสี่ขับคนที่เป็นผุุ้ชนดำรงอยู่ในชั้นสุภกินหะนั้นจนสิ้นอายุ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 เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่อย่างนี้เขาชอบใจอุเบกขาฌานนั้นติดใจอุเบกขาฌานนั้นและถึงความปลื้มใจกับอุเบกขาฌานนั้นเขาดารงอยู่ในอุเบกขาฌานนั้นน้อมใจไปในอุเบกขาฌานนั้นชอบอยู่กับอุเบกขาฌานนั้นโดยมากไม่เสื่อมเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทวดาชั้น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 ปฐมเมตตาสูตรที่หจบ 6. ทุติยเมตตาสูตรว่าด้วยผู้มีเมตตาจิตสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก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 เขาพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอยู่ในเมตตาจิตนั้นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เสียแทงเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกสรเป็นสิ่งคับแค้นเบียดเบียนไม่เชื่อฟังต้องแตกสลายไปว่างเปล่าไม่อยู่ในอำนาจหลังจากตายแล้ว เขาย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทวดาชั้นสุทธาวาสการเข้าถึงนี้ไม่ใช่มีอยู่ทั่วไปกับปุถุชนทั้งหลาย 2. บุคคลบางคนในโลกนี้มีกรุณาจิตและถึง 3. บุคคลบางคนในโลกนี้มีมุทิตาจิต 4. บุคคลบางคนในโลกนี้มีอุเบคาจิต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 บุคคลสี่จำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกทุติยเมตตาสูตรที่หจบเจ็ดปฐมมตถาคตอัจฉริยสูตรว่าด้วยเหตุอัศจรรย์ของพระตถาคต สูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายเหตุอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏสประการย่อมปรากฏเพราะความปรากฏของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหตุอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏสประการอะไรบ้างคือ 1. เมื่อพระโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมีสติสัมปชัญญะเสด็จลงสู่พระคันของพระมารดาแสงสว่างโอฬารประมาณไม่ได้ เกินเลยอนุภาพของเทวดาทั้งหลายย่อมปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์แม้แต่โลกันตริยนรกซึ่งเปิดตลอดไม่มีอะไรปิดกัน้นมืดมิดมองไม่เห็นอะไรที่แสงสว่างแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้ยังส่งไปไม่ถึง แต่แสงสว่างโอลานประมาณไม่ได้ล่วงเลยอนุภาพของเทวดาทั้งหลายย่อมปรากฏในโลกันตริกานรกนั้นแม้พวกสัตว์ที่เกิดในโลกันตริกะนรกนั้นจำกันและกันได้เพราะแสงสว่างนั้นว่าท่านผู้เจริญทราบว่าสัตว์แม้เหล่าอื่นที่เกิดในที่นี้มีอยู่นี้เป็นเหตุอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่หนึ่ง ย่อมปรากฏเพราะความปรากฏของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. เมื่อพระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะประสูตจากพระคันของพระมารดาละถึงนี้เป็นเหตุอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประกรารที่สองย่อมปรากฏเพราะความปรากฏของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 3. เมื่อตถาคตทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ละถึงนี้เป็นเหตุอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สย่อมปรากฏเพราะความปรากฏของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 4. เมื่อตถาคตทรงประกาศธรรมจากอันยอดเยี่ยมแสงสว่างโอฬารประมาณไม่ได้เกินเลยอนุภาพของเทวดาทั้งหลายย่อมปรากฏในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมูสัต พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์แม้แต่โลกันตริกะนรกซึ่งเปิดตลอดไม่มีอะไรปิดกัน้นมืดมิดมองไม่เห็นอะไรที่แสงสว่างแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้ยังส่องไปไม่ถึงแต่แสงสว่างโอรานประมาณไม่ได้ล่วงเลยอนุภาพของเทวดาทั้งหลายย่อมปรากฏในโลกนตริการกนั้น แม้พวกสัตว์ที่เกิดในโลกันตริสกะนรกนั้นจำกันและกันได้เพราะแสงสว่างนั้นว่าท่านผู้เจริญทราบว่าสัตว์แม้เหล่าเอินที่เกิดในที่นี้มีอยู่นี้เป็นเหตุอศัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สี่ย่อมปรากฏเพราะความปรากฏของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลายเหตุอศัศจรรย์ไม่เคยปรากฏสี่ประการนี้แล ย่อมปรากฏเพราะความปรากฏของตถาคตรอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระมมตถากตะอาัจฉริยสูตรที่เจ็จบ 8. ทุติยตถาคตาอาัจฉริยสูตรว่าด้วย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 เมื่อตถาคตแสดงธรรมที่ไม่มีอะไรก็ตั้งใจฟังด้วยดีเงี่ยโส ด, สดับตั้งใจฝ่รู้นี้เป็นเหตุอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่หนึ่งย่อมปรากฏเพราะความปรากฏของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. มูสั์ผู้ยังหมกมุ่นในความถือตัวยินดีในความถือตัวบันเทิงในความถือตัวเมื่อตถาคตแสดงธรรมที่กาจัดความถือตัว ก็ตั้งใจฟังด้วยดีเงียโสดศดับตั้งใจใฝ่รู้นี้เป็นเหตุอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สองย่อมปรากฏเพราะความปรากฏของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 3. มูมสัตผู้ยังหมกมุ่นในความไม่สงบยินดีในความไม่สงบบันเทิงในความไม่สงบเมื่อตถาคตแสดงธรรมที่เป็นไปเพื่อความสงบก็ตั้งใจฟังด้วยดีเงียบโสดศดับ ตั้งใจใฝ่รู้นี้เป็นเหตุอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สามย่อมปรากฏเพราะความปรากฏของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 4. มูสัตผู้ยังตกอยู่ในอวิชชาเป็นผู้มืดบอดถูกอวิชชาหุ้มหอ่อเมื่อตถาคตสแสดงธรรมที่กำจัดอวิชชาก็ตั้งใจฟังด้วยดีเงียโสสดับตั้งใจใฝ่รู้ นี้เป็นเหตุอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สย่อมปรากฏเพราะความปรากฏของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลายนี้เป็นเหตุอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏสี่ประการนี้แลย่อมปรากฏเพราะความปรากฏของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุติยตถาคตะอัอ จ, จรรยสูที่8จบ ถ้าอาริยสูตรว่าด้วยความเป็นอริยของพระอานนท์ภิกษุทั้งหลายความเป็นอริยไม่เคยปรากฏสี่ประการนี้มีอยู่ในอานนท์ความเป็นอริยไม่เคยปรากฏสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่งถ้าภิกษุบริษัทเข้าพบอานนท์แม้เพียงได้พบก็มีใจยินดีถ้าอานนท์แสดงธรรมในภิกษุบริษัทนั้น แม้เพียงแสดงธรรมก็มีใจยินดีภิกษุบริษัทยังไม่เต็มอิ่มเมื่ออาโนนหยุดแสดง 2. ถ้าภิกษุณีบริษัทเข้าพบอานน์แม้เพียงได้พบก็มีใจยินดีถ้าอาโน์แสดงธรรมในภิกษุณีบริษัทนั้นแม้เพียงแสดงธรรมก็มีใจยินดีภิกษุณีบริษัทยังไม่เต็มอิ่มเมื่ออานน์หยุดแสดง 3. ถ้าอุบาสกบริษัทเข้าพบอานน์ แม้เพียงได้พบก็มีใจยินดีถ้าอาน o ์แสดงธรรมในอุบาสกบริษัท น, นั้นแม้เพียงแสดงธรรมก็มีใจยินดีอุบาสกบริษัทยังไม่เต็มอิม่มเมื่ออาน o n หยุดแสดง 4. ถ้าอุบาสิกาบริษัทเข้าพบอาน o ์แม้เพียงได้พบก็มีใจยินดีถ้าอาน o แสดงธรรมในอุบาสิกาบริษัท น, นั้นแม้เพียงแสดงธรรมก็มีใจยินดี อุบาสิกาบริษัทยังไม่เต็มอิ่มเมื่ออาน o น์หยุดแสดงภิกษุทั้งหลายความเป็นอัจฉริยะไม่เคยปรากฏสี่ประการนี้แลมีอยู่ในอานน o ์อานันทจอาริยสูตรที่9จบ จักรวติอัจฉริยสูตรว่าด้วยความเป็นอัจฉริยะของพระเจ้าจักพรพรรดิภิกษุทั้งหลายความเป็นอัจฉริยะไม่เคยปรากฏสประการนี้มีอยู่ในพระเจ้าจักพรพรรดิความเป็นอัจฉริยะไม่เคยปรากฏสประการอะไรบ้างคือ 1. ถ้าขัตติยะบริษัทธเข้าเฝ้าพระเจ้ า, จ, าจักพรพรรดิแม้เพียงได้เข้าเฝ้าก็มีใจยินดี ถ้าพระเจ้าจักรพรรดิมีพระราชปฏิสันถานในัติยะบริษัทนั้นแม้เพียงมีพระราชปฏิสันถานก็มีใจยินดีขติยะบริษัทยังไม่เต็มอิ่มเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิทรงนิ่ง 2. ถ้าพรามณน่บริษัทเข้าเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิแม้เพียงได้เข้าเฝ้าก็มีใจยินดีถ้าพระเจ้าจักรพรรดิมีพระราชปฏิสันถานในพรามณบริษัทนั้น แม้เพียงมีพระราชปฏิสันทานก็มีใจยินดีพราหมณนบริษัทยังไม่เต็มอิ่มเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิทรงนิ่ง 3. ามข้าดีบริษัทเข้าเฝ้าพระเจ้าจากักรพรรดิแม้เพียงได้เข้าเฝ้าก็มีใจยินดีถ้าพระเจ้าจากักรพรรดิมีพระราชปฏิสันถานในข้าพดีบริษัทนั้นแม้เพียงมีพระราชปฏิสันถานก็มีใจยินดี ข้าบ ร, บริษัทยังไม่เต็มอิ่มเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิทรงนิ่ง 4. ถ้าสมณบริษัทเข้าเฝ้าพระเจ้าจกักรพรรดิแม้เพียงได้เข้าเฝ้าก็มีใจยินดีถ้าพระเจ้าจกักรพรรดิมีพระราชปฏิสันฐานในสมณบริษัทนั้นแม้เพียงมีพระราชปฏิสันถานก็มีใจยินดีสมณบริษัทยังไม่เต็มอิ่มเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิทรงนิ่งภิกษุทั้งหลาย ความเป็นอัฉริยะไม่เคยปรากฏสประการนี้แลมีอยู่ในพระเจ้าจากักรพรรดิภิกษุทั้งหลายความเป็นอัฉริยะไม่เคยปรากฏสประการก็ฉันนั้นเหมือนการแลมีอยู่ในอานน์ความเป็นอัจริยะไม่เคยปรากฏสประการอะไรบ้างคือหนึ่งถ้าภิกษุบริษัทเข้าพบอานน์แม้เพียงได้พบก็มีใจยินดีถ้าอานน์แสดงธรรมในภิกษุบริษัทนั้น แม้เพียงแสดงธรรมก็มีใจยินดีภิกษุบริษัทยังไม่เต็มอิ่มเมื่ออานนท์หยุดแสดง 2. ถ้าภิกษุนีบริษัทละถึง 3. ถ้าอุบาสกบริษัท 4. ถ้าอุบาสิกาบริษัทเข้าพบอานนท์แม้เพียงได้พบก็มีใจยินดีถ้าอานนท์แสดงธรรมในอุบาสิกาบริษัทนั้นแม้เพียงแสดงธรรมก็มีใจยินดี ปูบาศิกาบริษัทยังไม่เต็มอิ่มเมื่ออานน์หยุดแสดงภิกษุทั้งหลายความเป็นอริยะไม่เคยปรากฏสีประการนี้แลมีอยู่ในอานน์จักวัตติอริยสูตรที่10จบพยัคฆ์ที่สจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. อาตานุวาทสูตร 2. อูมิพยสูตร สามปฐมน า, นานากรณสูตร 4. ทุติยน า, นานากรณสูตร 5. ้าปฐมเมตตาสูตร 6. ทุติยเมตตาสูตร 7. จ็ดปฐมตถาคตาอาัฉริยสูตร 8. ทุติยตถาคตาอาัฉริยสูตร 9. อานันทอัฉริยสูตร 10. จักรวัตติอฉริยสูตร